อภิมาระเปสนะว่าด้วยพระเทวทัตทรงคนไปลอบปลงพระชนพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นพระเทวทัตเข้าไปเฝ้าอาชาติศัตรูกุมารถึงที่ประทับครั้นถึงแล้ว ได้ถวายพระพรอาชาศัตรูกุมารดังนี้ว่าขอถวายพระพรขอพระองค์โปรดสั่งใช้ราชบุรุษปลงพระชนพระสมณโคดมครั้งนั้นอาชาศัตรูกุมารสั่งราชบุรุษทั้งหลายว่าพวกท่านจงปฏิบัติตามคาสั่งของพระกุลเจ้าเทวทัตต่อมาพระเทวทัต สั่งบุรุษคนหนึ่งว่าพระสมณะโคดมประทับอยู่ที่โน้นท่านจงไปปลงพระชนพระองค์แล้วกลับมาทางนี้แล้วซุ้มบุรุษไว้ริมทางสองคนด้วยสั่งว่าพวกท่านจงฆ่าคนที่เดินมาทางนี้เพียงลําพังแล้วมาทางนี้ซุ้มบุรุษไว้ริมทางอีกสี่คนด้วยสั่งว่าพวกท่าน จงฆ่าคนสองคนที่เดินมาทางนี้แล้วมาทางนี้ส่มบุรุษไว้ริมทางอีกแปดคนด้วยสั่งว่าพวกท่านจงฆ่าคนสี่คนที่เดินมาทางนี้แล้วมาทางนี้ส่มบุรุษไว้ริมทางอีกสิบหกคนด้วยสั่งว่าพวกท่านจงฆ่าคนแปดคนที่เดินมาทางนี้แล้วมาทางนี้